สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเพซูตอนที่462เรื่องของพระทานฝ่ายเข้าวิญญาณตอนที่หกพี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าในพรวนะของพระเจ้าคริสเตียนทุกคนนั้นต้องมีของประทานอย่างน้อยหนึ่งอย่างและของประทานนั้น ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะบางคนในคิ้นจักผู้นำคิ้นจักรหรือสื่อที่บาลของคิ้นจักรหรือผู้ที่เปิดแคมเปญรณรงค์การประกาศด้วยการรักษาโรคด้วยการอัศจรรย์ต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแต่คนเหล่านั้นครับเพราะคนเหล่านั้นไม่ใช่ผู้วิเศษคนเหล่านั้นไม่ใช่เป็นตัวกลางระหว่างมนุษย์กับประเจ้า แต่พวกเราทุกคนนั้นเป็นเครื่องมือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราได้รับของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับในหลายๆคริ่อจักรนะครับมีผู้ที่พระเจ้าแต่งตั้งหรือผู้เจ้าพระเจ้าทรงเจิมไว้เพื่อที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในสภาวะต่างๆในด้านต่างๆในความต้องการต่างๆเพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้าเพื่อนําคนไปถึงความรอด เพื่อข่าวปเสรของพระเจ้าจะได้ตัดถูกประกาศกว้างไกลออกไปและเพื่อบุรณะฟื้นฟูจิตใจของผู้คนคริสเตียนซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าหรือแม้กระทั่งนำคนมาฟื้นฟูมาทำให้เติบโตดูแลอภิบาลเลี้ยงดูเขาพี่น้องครับด้านต่างๆที่ผมได้กล่าวไปแล้วก็คือวัตถุประสงค์ของการที่พระเจ้าประทานของประทานมาให้กับคริสตจัก พี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้พูดถึงว่าเมื่อเราทราบว่าคริสเตียนทุกคนแต่ละคนมีของประทานหลากหลายนะครับในแต่ละคนอย่างน้อยหนึ่งอย่างพระเจ้าประทานให้อย่างกว้างขวางมากหลากหลายมากประเด็นที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คือว่าหน้าที่ครับทุกคนต้องมีหน้าที่และพระวรากายของพระเยซูจึงจะต้องประสานกัน นะครับประสานกันทำงานไปด้วยกันเหมือนกับคณะนักเรงครับจะต้องมีการประสานเกิดฮาร์โมนีฮาร์โมนีก็คือการประสานซิ่งโคโนใดนะครับก็หลายหลายสีรวมกันนะครับเกิดเป็นภาพที่มีสีสันงดงามราคริสจักคล้ายคลึงกับร่างกายของมนุษย์ต้องประสาน งานประกอบด้วยอวัยวะหลายหน่วยหลายอย่างแต่ละหน่วยแต่ละอย่างทําหน้าที่แตกต่างกันพี่น้องครับในความคิดของท่านอาคาซุปเปาโลกายของพระคิดกับของประธานฝ่ายจินย๋นยานั้นแยกกันไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นอวัยวะแต่ละอวัยวะนั้นก็มีความสวยงามของอวัยวะนั้นๆและมีหน้าที่และต่างก็ทําหน้าที่ที่แตกต่างกัน ให้เรามาฟังโอชนะของพระเจ้านะครับในพระธรรมตอนเดิมนี่แหละครับโรมบทที่สิบสองข้อสี่ถึงข้อที่หกเพราะว่าในร่างกายอันเดียวกันนั้นเรามีอวัยวะหลายอย่างและอวัยวะนั้นๆไม่ได้มีหน้าที่เหมือนกันขนาดใดพวกเราผู้เป็นหลายคนยังเป็นกายอันเดียวในพระคริสต์และเป็นอวัยวะแก่กันและกันฉันนั้นแต่เราทุกคนมีของประธานที่ต่างกันตามพระคุณที่ได้ประธานให้แก่เรา ในพระธรรมโรมนะครับพูดชัดเจนครับว่าพวกเราได้มีหน้าที่เหมือนกันฉันใดแต่ยังเป็นกายเดียวกันครับคําว่าหน้าที่ครับหน้าที่แต่ละอย่างของอายุวะแต่ละอย่างไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีหน้าที่แต่ละอย่างแต่ละคนไม่เหมือนกันขอให้เราจงทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่ครับอย่าไปทําหน้าที่ แทนคนอื่นที่เราไม่มีของประธานเราอาจจะช่วยกันได้ครับแต่คนที่รับผิดชอบหลักต้องไม่ทิ้งหน้าที่ครับหนึ่งโครินเบอที่สิบสองข้อสิบสองก็กล่าวในทํานองคล้ายคลึงกันถึงกายนั้นเป็นกายเดียวก็ยังมีอวัยวะหลายส่วนและอวัยวะเหล่านั้นแม้จะมีหลายส่วนก็ยังเป็นกายเดียวกันฉันใดพระคริสต์ก็เป็นทรงเป็นเช่นนั้น เพราะว่าร่างกายไม่ได้ประกอบด้วยอวัยวะเดียวแต่ด้วยหลายอาวัยวะฝ่ายทั้งหลายเป็นกายของพระคริสต์และต่างก็เป็นอวัยวะของพระกายนั้นเห็นชัดเจนนะครับว่าจากความจริงที่ว่าคริสเตียนทุกคนมีของประทานก็นำไปถึงความจริงอีกความจริงหนึ่งครับเพราะว่าทุกคนต้องมีหน้าที่รับผิดชอบแต่ไม่มีคริสเตียนคนไหนเลยครับที่ไม่ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ ฉันเป็นคนดูนะครับฉันเสียตังค์ซื้อตั๋วเข้ามาดูและบางคนก็คิดครับการเสียตังค์ซื้อตัว๋วเข้ามาดูก็คือการถวายทรัพย์มาใช้บริการของคริสจักรทุกๆุกวันอาทิตย์ก็ต้องเสียค่าแอร์เสียค่านุ่นค่านี่นะครับพี่น้องครับอย่าให้มีท่านใดเลยที่ถูกมองข้าเพราะพวกเราทุกคนนั้นมีหน้าที่รับผิดชอบ รับผิดชอบต่อใครครับหน้าที่รับผิดชอบต่อพระเจ้าครับผู้ทรงเป็นเจ้าของของประทานทั้งหลายอย่าให้ใครก็คนใดคนหนึ่งเอาของประทานที่เราได้อยู่นั้นไปฝังดินเหมือนกับทาสคนนั้นนะครับที่เอาเงินเอาทุนที่พระเจ้าได้หิเจ้านายเขาได้ฝากไว้ไปฝังดินเสียนะครับ คนนั้นก็เป็นธาตุที่ชั่วร้ายชั่วช้าครับพระเจ้าจะไม่ประทานบาเด็จอะไรให้เลยนะครับในขณะที่พระเจ้าประทานให้เราทั้งหลายทุกคนมีของประทานเราจะต้องใช้ของประทานนั้นอย่างถูกต้องตามหน้าที่รับผิดชอบของเราทั้งหลายแต่ละคนภาพนี้นะครับในหลายๆข้อจากนั้นยังไม่เกิดครับ ความจริงแล้วหลายเรื่อจักรนั้นควรเปลี่ยนแปลงชีวิตของคริสเตียนต้องพัฒนาครับมุมมองทัศนคติของครื้นจักรหรือผู้นำริ้นจักรนั้นก็ต้องพัฒนาเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันตามพระวจนะของพระเจ้าในพระคัมภีร์นั้นเราจะเห็นนะครับว่าจะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันรับผิดชอบในสิ่งที่เราทั้งหลายได้รับมอบจากพระเจ้าหน้าที่ตาม ของประานนั้นแต่ภาพของคึ้นจักรทั่วไปก็คือคนที่ทำงานเต็มเวลารับเงินเดือนหรือสี่พิบาลเจ้าหน้าที่ในคึ้นจักรนั้นจะต้องรับรับางานหักโหมครับเพราะหลายคนเข้าใจว่าเขาจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนหรือเป็นค่าคองชีพหรือ บางคลื่นจักเรียกว่าค่าจ้างจ้างสีบาลจ้างเจ้าหน้าที่คลื่นจักรมาทํางานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่พวกเราผู้ว่าจ้างหรือนายจ้างไม่ต้องทํางานบางคนอาจจะให้ความเห็นว่าอ๋อก็นายจ้างเหล่าเนี่ยเขาก็มีงานประจําของเขาอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องจ้างนะครับคนที่มีความต้องการคนที่ว่างหรือคนที่อาจจะมีใจมาทํางานแทนเขาความจริงแล้วพระกัมพีไม่ได้คิดและไม่ได้พูดไม่ได้สอนอย่างนี้เลยครับพระกัมพีสอนว่าแม้ว่าศีบาลหรือผู้นำํำขุนจักดที่ถูกว่าจ้างหรือได้รับค่าตอบแทนหรือได้รับค่าของฉีพเลี้ยงชีพนั้น จะต้องทำงานหักโหมทำงานหนักเพื่อเป็นตัวอย่างจะต้องมีการอุทิศตัวจะต้องมีความซื่อสัตย์มากกว่าคนอื่นเพราะว่าคนเหล่านี้ซึ่งเป็นผู้สอนผู้นำนั้นจะต้องถูกพระเจ้าตรวจสอบเรียกว่าเช็คบินนะครับถึงสองเท่าด้วยกันศรีบาลจะต้องรับงานหักโหมเจ้าหน้าที่ขึ้นจักที่ได้รับค่าจ้าง หรือได้รับค่าตอบแทนต้องรับงานหักโหมอาจจะมีผู้ร่วมงานอุทิตตัวไม่กี่คนครับคอยช่วยเหลือในขณะที่คนส่วนใหญ่นั้นมีส่วนร่วมในความเจริญและพันธกิจของคริสจักรน้อยมากครับหรือไม่มีเลยผมเคยเปรียบเทียบนะครับว่าคริสจักรนั้นเราอยากจะให้เป็นภาพของรถโดยสารก็คือคนขับรถหนึ่งคนนะครับมีกระเป๋าเก็บตั๋วนะครับเก็บเงินอีกหนึ่งคน แล้วก็ผู้โดยสารนั่งสบงบเต็มรถอยากจะให้คลิปจักรของเราเป็นภาพอย่างนั้นไหมครับหรืออยากให้คลิปจักรของเรานั้นเป็นภาพร่างกายที่มี อ, อวัยวะทุกส่วนทำหน้าที่แข็งขันอวัยวะทุกส่วนนั้นไม่มีอวัยวะไหนเลยที่พิการคนนั้นทำหน้าที่อย่างนั้นอีกคนหนึ่งก็ทำหน้าที่อย่างนี้นะครับเราจะเห็นภาพรวมของการประสานกัน ดำเนินไปอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพอันที่จริงนะครับพระเจ้าต้องการให้เราเป็นอวัยวะของกันเล่กันเป็นคริปจักรที่เป็นภาพของร่างกายไม่ใช่เป็นภาพของรถโดยสารครับเป็นภาพของคอรัสไม่ใช่เป็นภาพของคนเชียร์มวยใช้จริงแล้วนะครับ ภาพพจน์ที่ผิดเพี้ยนไปของขื้นจักรนี้เองเป็นสาเหตุหลักข้อหนึ่งที่ทําให้ขื้นจักรไม่เติบโตครับการรณรงค์ด้านของมระธานขยายงอกงามอย่างรวดเร็วการรณรงค์นี้คัดค้านสิทซึ่งสนับสนุนฝ่ายผู้รับใช้เต็มเวลาจํากัดฝ่ายสมาชิกธรรมดาเรียกร้องให้สมาชิกธรรมดา มีโอกาสรับผิดชอบในบทบาทของผู้นําครือจักรตามที่พระเจ้าให้ของประทานพี่น้องครับเราจะต้องรณรงค์ด้านของประทานของคือจักครับให้ขยายงอกงามอย่างรวดเร็วนะครับการรณรงค์ให้พี่น้องคืสเปียนสมาชิกในคือจักรใช้ของประทานครับจะทําให้คือจักเติบโตนะครับ นึ่งซึ่งเป็นการสนับสนุนผู้รับใช้เป็นเวลาครับและเรียกร้องให้สมาชิกทุกๆุกคนมีโอกาส ร, รับผิดชอบใช้ของประธานนะครับตามบทบาทของอวยวะทุกทุกอวัยวะตามที่พระเจ้าให้ของประธานกับคนคนนั้นพิจากหลายแห่งครับมักจะบ่นว่าสมาชิกขาดของประธานนี่เป็นเพียงข้ออ้างครับ แท้จริงแล้วศีบาลหรือผู้สอนเนี่ยต้องรับผิดชอบรับผิดชอบต่อคําว่าสมาชิกของขาดของประธานซึ่งแท้จริงไม่ใช่ครับพระกรมภีร์นั้นได้พูดชัดเจนครับว่าพระเจ้าได้ประทานของประธานให้กับคนที่อยู่ในขนจักทุ ก, ทกคนเราจะต้องสอนสมาชิกของเราให้รับใช้ เราจะ้องสอนธมาชกของเราให้แสวงหาของประธานที่มากขึ้นเพื่อจะรับใช้พระเจ้าได้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นอันนี้คือสิ่งที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ครับขอพระเจ้าช่วยคริสจักรทุกคริสจักรนะครับที่ได้ฟังเสียงจากสีบานนี้ให้เป็นพระพรกับคริสจักร ต, ต่อไปอาเมน